สมาธิภาวนาสําหรับนักศึกษาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญขออวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุขทุกข์ละการความเจริญในศีลในธรรมใน ในเวลานี้จะขอสมาธิภาวนาสําหรับ อยู่คอมพิวเตอร์อยู่อาวากาทำไมจึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะ เยอมเสียสารอารมณ์คือแต่พวกเราไม่ไปกำหนัดความ วัดป่านอนอยู่ในกระท่อมกินข้าววันละครั้งเดียวอดๆยากๆทุกข์ๆยากๆแต่สําหรับพวกเราคงไม่เข้าใจอย่าง การสมาธิภาวนาสําหรับนักเรียนนิสิตนักก็ได้ไม่หนุ่มไม่สาวอาจจะห้วงหนอกแล้วก็ได้แต่ว่า ปัญหามันก็เกิดมีขึ้นว่ามันก็เกิดมีขึ้นว่าให้เรื่องสมาธิพรณามันเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องจิตใจเป็นกติกาให้เป็น 67 ผิดเพียงนี้เราก็ถือว่าสอบได้ผ่านชั้นเรียนไปก้าวปีนึงก็ คือการศึกษาอบรมจิตพัฒนาจิตตนเองมันจะมี เขียนต้องเรียนเองเป็นครูเองสอบเองเป็นกรรมการเอง <c oughs> มันเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่รู้ได้มาตัดสินมาแต่งตั้งให้เราเป็นพระอริยะเป็นอะไรเราจะรู้ ที่เคยโกรธหน่ายเกลียดหน่ายกลัวหน่ายรักหน่ายล่ะเนี่ยมันโกรธโวยขึ้นกว่าเก่ากลัวเก่งกว่าเก่าเกลียดยิ่งกว่าเก่ารักยิ่งกว่าเก่าลุ่มหลงยิ่งกว่าเก่าไหมหรือว่ามันรักยากโกรธยากเกลียดยากกลัวยากลุ่มหลงยากแล้วมันก็อ่อนตัวลงความยึดมั่นถึงมันตัวแอทแทชแอทแทชเมนต์ใน อารมณ์เนี่ยมันเกิดวูบความโกรธเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อทําสมาธิฝึกจิตตนเรื่องกามารมอารมณ์ทางเพศเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆมันได้ บางคนโลเข้าหมดกันไปเลยอะไรพวกนี้มีความโกรธความกลัวความเกลียดความรักกามอารมณ์อะไรต่างๆเรานี้แหละจะรู้เองเพราะฉะนั้นผลของมันจึงจะต้องรู้ เอาล่ะครับเป็นแล้วก็ไม่มีใครมาให้ว่าเรามาทําความ เราราโปรดยิ่งขึ้นครั้งแรกเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันสงบเราก็รู้มันฟุ้งวายเราก็รู้มันรักเราก็รู้มันโกรธ ว่านี่คือธรรมชาติการกําหนดรู้อย่างนี้ทุกขะนะทุกขะนะทุกขะนะ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 ตามอดเก่งธรรมชาติฝ่ายกายๆฮอร์โมนของเพศมันเบ่งบานขึ้นมาสมมุติ เมื่อรู้เข้านานเข้ารู้ทุกเมื่อทุกเมื่อเข้าก็จะเห็นความจริงอันหนึ่งว่ามันเป็นเองมันเป็นเองต้องรู้อยู่ทุกเมื่อนี่มันรักมาครั้งมันครั้งหนึ่ง อภินยยะรู้ยิ่งรู้ยิ่งคือลุงครั้งเดียวมันไม่ยิ่งรู้ครคร 2 ครั้งมันก็ยิ่งขึ้น<สาม S> 2 ครั้งลุง 3 ครั้งมันคิดอีกว่าโอ้ยิ่งขึ้น 4 5 6 7 8, 8, 8, 8, 9, 10 เป็น 100 เป็น คำว่าอภินยายะรู้ยิ่งเมื่อรู้ยิ่งเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยยิ่งขึ้นยิ่ง ครั้งแรกหัดให้มันรู้เฉยๆมันคิดอะไรรู้หมดรู้มันหมดแต่รู้เฉยๆการ อย่าตะปริญญากะหนดรู้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในที่สุดเมื่อเรารู้บ้างๆมันกลายเป็นอัตตโนมัติกลายเป็นมหาสติ เจาะลงไปรูปพร้อมเป็นมุตเทพคามินีเจาะแทงลงไปเจาะลงไปแล้วมันจะเกิดสัมโพธายะรูปพร้อม พิจารณาโดยตัวมันเองๆมันก็เลยเกิดความฉลาดขึ้นอ้าวไม่ใช่เราคิดโหเห็นเบื้องหลังปรากฏการของความคิดคือส่วนประกอบของมันดูๆที่<ด> มันมี 3 อันเท่าสัญญามาจากอดีตก็ดีมาจากความเคยชินพอเห็นปั๊บ คือความคิดจะเกิดขึ้นความคิดจะเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดก็ตามที่พอใจและไม่พอใจ 2 อัน สิ่งที่จะเอาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวสําเร็จรูปควรจะเรียกเป็นภาสัพเราบอก อันนี้ภาษาบาลีบอกวิตกความคิดที่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยประงแต่งจากยอดสําเร็จรูปในอีกความรู้สึกพอ แล้วอีกอันหนึ่งก็สัญญาความสําคัญมั่นหมายจํา ที่ตื่นๆตัวอยู่นี่ไม่ใช่หลับนะภาษาบาลีว่าตปริญญากําหนดรู้ทุกเมื่อเออแล้วไหนที่สดมันเกิดอภิญญาญาณรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ พุ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมาเป็นๆพวกเนี้ยมาเป็นส่วนประกอบ เมื่อมันก็เลยส่วนประกอบของความคิดทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยมันปริญญาปริญญาปริญญารู้ถึงทั้งคอนเซ็ปชันทั้งเพอร์เซ็ปชันทั้งฟีลลิ่ง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 โดยไม่ๆโดยด้วยกันนั่งทำสมาธิด้วยกันใต้ร่มไม้บน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 อารมณ์ทางเพศปั๊บมันรู้ปั๊บมันก็ทิ้งปั๊บมันก็ทิ้งเอาไว้เอามานานเข้านานเข้ามันไม่มีอาหารกิเลสเหล่านี้ไม่ หมดไปเหลือแต่อย่างต่างๆบางอันกลางๆหมดไปลึกไปเหลือแต่รู้มันจนละจนไม่เป็นเจ้าของจน ไม่เป็นเจ้าของทั้งพอใจและไม่พอใจเอาอะไรมาเป็น เพราะนั้นวันจบหลักสูตรเท่านั้นเดินจบหลักสูตร มองเห็นตามนั้นจริงๆจิตใจมันก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นมีสัมโพธายะมีอภิญญายะเกิดๆไม่มีแอด อย่าเข้าใจว่านิพพานคือตายถ้านิพพานคือถ้านิพพานแปลอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้อง ทีนี้เราพูดถึงโครงสร้างผลของมันการก้าวหน้าของมันคร่าว นี่เราพูดกันแบบนักศึกษานิสิตนักศึกษาที่มีปัญญาพื้นฐานที่จะเข้าใจกันง่ายขึ้น ทำอย่างไรจึงจะรู้ยิ่งทํายังไงจึงจะรู้พร้อมพร้อมทํายังไงจึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อวิราคานิโรธานิโรโธนิพพานหนังเพื่อความ ความรู้สึกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจาก ฟังแล้วก็มีความเข้าใจส่งอืมพระภิกษุผู้อยู่ในฐานะครู อืมปสถิคือกายก็สงบจิตสงบแล้วมันก็เกิดไม่ได้แต่เป็นความสุขแบบหนึ่งเมื่อเกิดความสุขนี้สมาธิมันก็ตามมาโดยธรรมชาติของมันหลังจากนั้นก็ ฟังแล้วก็ยังเข้าใจอยู่แต่ยังไม่แจ่มตามนั้นปล่อยปล่อยวางจางคลายนั้นพูดคือ พูดให้คนอื่นฟังผู้ให้คนอื่นฟังคือจําก็จํา one point test net, เกิดความอิ่มอกเอมใจในผลงานเกิดความจิตสงบในขณะเป็น 2-3 ชั่วโมงก็ไม่หวั่นไหวนอกจาก ลูกจิตที่มีสติสมาธิมันก็เลยพล่องพล่องออกมาสิ่งที่ยังไม่เคย ที่อมาสอนตนเองคู่ในคนอื่นฟังก็ยังไม่ค่อยที่มาพูดให้ตนเองฟังอย่างที่เราสวดมนต์ ต้องไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ใช่ธรรมดาซะแล้ว 2 ทรงในคํานี้ก่อนที่ธรรมจะมาทรงเราเราจะต้องหัดทรงธรรมก่อนที่เราจะมีสติเราจะต้อง อ๋อเอาง่ายๆแบบดูฟังเข้าใจได้ในขณะฟัง 2 ขณะคิด 3 ขณะพูดให้ ที่ผมแปลออกมาอย่างอลัญญสูตรนานาสารัตถะอะไรต่างๆพิจารณาไปด้วยก็เกิดความเข้าใจอันที่ 4 อันที่ 5 ไม่มีทาง เพ่งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิ แล้วก็สลัดขว้างทิ้งกันทีเรียกว่าวิราคา 5 อัน 4 อันเราใช้ไม่ พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงในนี้เราทํากัน เมื่อเรากินข้าวคนไม่ต้องปรารถนาอิ่มไม่จะอิ่ม 20 คํามันก็อิ่มเท่านั้นคืนกินเข้าแม้จะไหว้บอนเอาไว้ ถ้าประจายให้เกิดความเสื่อมมันก็เสื่อมเท่านั้น 2 ชั่วโมงเย็น 2 ชั่วโมงเช้าวัน 4 ชั่วโมงเนี่ยเป็นชนิดที่หรือว่าพวิกาปโหดิกตากระทํา มันเจริญหรอกมันอย่าได้คิดล่ะทีเนี้ยถ้าทําอยู่ในสภาพอย่างเนี้ยมันทนอยู่ ก็ไปใส่คอมเมนต์เกลียวซีเรียสเข้าไม่มีโอกาสเป็นบ้ากว่าหมดศรัทธากันไปเลยบอกไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นกําหนดกรดเกณฑ์ลิมิตเอากี่วันกี่เดือนกี่ปีทําไปเรื่อยทําเหมือนทําเล่นโดยมีกีฬากัน ถ้ากล่าวรู้จักเล่นกีฬาทางจิตคือกีฬาสมาธิภาษา ที่นี้เราจะเล่นเป็นนักกีฬามันก็เล่นกันสนุกเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องการ ที่นี้ว่าเราจะทําให้มันถูกให้มันถูกต้อง 4 ชั่วโมงเช้าตั้งแต่ 03:00 น. จน 05:00 น. จึงทําวัด ว่าละ 4 ชั่วโมงนี้เราเล่นกีฬากีฬาสมาธิหรือว่าฌานกีฬากีฬาเล่นในการเพ่งเล่นในการทําจิตให้สม่ํา ฌานนะฌานะฌานะแปลว่าเพ่งแปลว่าเพ่งพอเราทั้งทั้งหลายเข้าใจว่าฌาน เข้าฌานนานนับเดือนไม่ขยับไม่เคลื่อนเคลื่อนกระยามรู้ทุกแล้วก็ว่าเข้าฌานมันมีคําว่า จนถึงจะตุตทฌานไม่หายใจอย่างนั้นก็เรียกว่าฌานใหญ่เลยอันนั้นเรียกว่าเข้าฌานแต่ อนันตระแปลว่าไม่มีช่องว่างไม่ประกอบไปด้วยสมาธิไม่มีช่องว่างไม่มีที่สุดหรืออันตะอะแปลว่าไม่อันตะเป็นอนันตะอนันตริกะ สมาธิที่ประกอบกันไปไม่มีเหมือนชาวบ้านเขาพูดกันอยาก ยังในอุทเทศวิภังคสูตรแห่ง 14 ข้อที่ 639 นะมีข้อความตอนภิกษุอุปริเคยยยทายทาสปริคโต ดูก่อนวิสุทธิังหลายเธอพึงพิจารณาโดยอาการที่พิจารณาอย่างนี้พยิธาจะสวิญญาณังอย่าให้จิตนี่ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกนี่อย่าให้มัน อย่าให้จิตฟุ้งไปซ่านไปภายนอกต่อมาก็มีคําทุกขะชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขสมุทโย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 ไม่เข้าไปในฌานไม่ออกจากกลางๆมีสติจ่อรู้อยู่ทุกเมื่ออย่างนี้ชาติชรามรณะเดี๋ยวนี้เราสมาธิเราก็อยากจะรีบเข้าไปภายในให้มันลึกๆลึกๆ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 ไอ้คำว่าเข้าฌานก็หมายถึงผลของมันผลของมันมันว่าเพ่งจน ความจริงคําว่าเอกคตะมันจะเป็นวรรป้อยเป็นจิตอันเดียวยอดสุดยอดยอดคตะไปจิตเป็นเลิศไปสุดยอดไปสุดเวียง ภาษาอังกฤษเขาไปกันอย่างนี้ความจริงน่าจะมีคําพิเศษเป็นฤทธิ์เป็นเดชเป็นเรเซอร์ สมะแปลว่าสมํ่าเสมอหรือว่าสัมบัติของฌานสมบัติของการเพ่งที่ได้มาอย่างสมํ่าเสมอแล้วอยากได้เวลาใดก็ ทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ฌานคือว่ามีสมาธิที่มันเป็นอารมณ์อัน <c oughs> เขาจำแน่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็จำแน่ฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 อันเป็นส่วนรูปฌานคือที่ต้องเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้นอย่างเพ่งลมหายใจอย่างเงี้ยเพ่ง ความคิดมันก็เกิด เราก็รู้อยู่. มันก็ได้ยินตาก็ได้เห็นวิตกคือจิตนึกรู้อยู่เฉพาะ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 ในขณะเดียวกันความรู้สึกว่าลมหายใจไม่สม่ำเสมอบางทีรูจมูก 2 รูรูหนึ่งมันเข้ามากเข้าคล่องอีกรูหนึ่งคือลักษณะโหวิจารณ์ภาษา จากนี้นี้หรือตัวร้อนลมหายใจเป็นอย่างที่มันก็ละเอียดลงละเอียดลงเมื่อลมหายใจละเอียดลงความรู้สึกเป็น เอาเผอไปหมดลืมไปหมดความเจ็บปวดรวดร้าวจิตนิมิตเป็นนิมิตเป็นอิมเมจภาษาฝรั่งก็เรียกอิมเมจ จะเป็นเหมือนปุยเมฆปุยนุ่นปุยฝ้ายเหมือนแมงฮิ้วห้อยเหมือนเดินเหมือนดาวเหมือนอะไร ดับรวมลงไปรวมลงไปไอ้ตรงนี้แหละที่เค้าเรียกว่าเอกังรมณังจิตตังอารมณ์ไปอันเดียวเรียกว่าเป็นเอกคตาจิต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 นี่เค้าเรียกว่าฌานที่เค้าเรียก ถ้าจะซื้อหาด้วยเงินด้วยทองเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ซื้อไม่ได้แต่สิ่งเราได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อแล้วจะติดใจดื่มด่ำอยู่กับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่ออยากอีกอยากเป็นอีกอยากมันมีอีกแล้วก็ทําอีกถ้ายิ่ง ฉลาดทําให้มันเกิดโดยวิธีเพ่งลงไปในอืม ก็เป็นอีกอย่างเก่าวันหลัง คือวหมนเป็นฌานที่ 2 ปลดวิตกวิจารณ์ออกต่อมาอยากอีกเก่งกว่าเป็น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 มีแต่ความว่างเฉยอยู่อย่างนั้นเอกคตาอย่างนั้นแล้วก็มีอุเบกขาอยู่อย่างนั้นอารมณ์ใดก็ไม่มีตอนไม่หายใจมันมี ในที่สดมังกรเป็นเมนทัลอิมเมจเป็นภาพในใจไล้ไปไล้ไปแล้วก็ไปกําหนดจิตปราบก็ดูมันไล้ไปไล้มาสร้าง หลังจากช่วงหนึ่งเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มไม่เป็นเอกคตาแล้ว ที่อาศัยลูกอาศัยออฟเช็คที่มันเป็นลูกอย่างนี้เค้าเรียกว่าปล่อย 1 เข้าเขเข 2 เข้า 3 เข้า 4 อันนี้เราพูดถึง ฌานเป็นคำต่างๆแปลว่าเพ่งภาษาบาลีชานะกีฬาก็แปลว่าเล่นอยู่กับการเพ่งสุดแล้วแต่จะเล่นเก่งแบบไหนถ้ามีความชํานาญมันก็เข้า ให้มันแช่อยู่นานแค่ไหนก็ได้ในที่สุดพวกนี้ก็เลยเก่งไปเป็นฤทธิ์ นัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอชายิโนแปลว่าเมื่อไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้เป็นคำต่างๆเป็นธรรมต่างๆเป็นกีฬาเรียก เมื่อมันก็เลยมีเข้าถ้าเข้าได้ก็มี 1, มมม1 2 3 4 ถ้าเข้าไม่ได้ก็ยังไม่ว่าเรา มีอยู่ 2 ฌานฌาน 1 เป็นไปเพื่อสมถะฌานเพื่อวิปัสสนาคือมีอยู่ 2 วิธีอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาเมื่อกี้จนเกิดมีปิติสุขเอกคัคตาวิโตวิจารณ์ตัวแรกนี่เพ่งตัวนี้เป็นสมถะให้เกิดปฐมฌานแล้วตอนหลัง อืมปัญจฌานที่ 2 ต่อมาเก่งชลาก็มาอีกปดปิติออกเหลือแต่สุกเอกคตาไปนี่ปัญจฌานที่ 3 ต่อมาก็อีกปดทั้งสุขทุกข์ทิ้งไม่เป็นเอกคตาอุเบกขาว่างเนี่ยก็เรียกที่ 4 อันนี้เป็นสมถะให้จิตสงบสงบมากเมื่อสงบมากนี่มันก็ ผลของสมาธิจึงเกิดมาคือมีความ หมุนไปช่องไหนก็เห็นนี่เหมือนตาทิพย์ทีนี้มีวิทยุมาเสียบหมุนไปฟังคลื่นจูนคลื่นไปสู่สถานีได้ คนที่เค้าเก่งๆการคืนเค้าเก่งทางสมาถะเค้าก็เล่นบ้าเพราะเค้าดี <c oughs> พูดอธิบายสีขาวสีเหลืองสีแดงให้คนตาๆแล้งๆทั้ง แต่จะไปพูดในคนธรรมดาที่เขาไม่มีไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอบัตพระปัจฉิตี แล้วก็มีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญามีๆมันมีอย่าเข้าใจว่ามันไม่ มีไฟฟ้ามากแล้วก็เอาเสียบใดให้โดดน้ําก็ได้เสียบพัดลมให้เป่าเย็นก็ได้เสียบตู้เย็นให้มันเย็นๆทางวิทยุดู เป็นอันตรายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าฉลาดก็เอามาใช้ให้มันเกิดแสง เพ่งให้เกิดอย่างนี้ให้เกิดความสุขให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีอนทัศนะปฏิหาริย์มีเมจิกกันพาวเวอร์ มายาสถัยของจิตรู้มันหลงเข้าไปเป็นเจ้าของๆรู้อยู่ทุกเมื่อจนเห็นเกิด สัญญาความสําคัญมั่นหมายจําได้หมายรู้ที่จนเคยชินว่าสุขวาด คือความคิดสําเร็จรูปซึ่งมันชํานาญมันชินมาเรียกตัวคอนเซ็ปชันนี่เพราะฉะนั้น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 แล้วก็เห็นว่าทั้งฟิลลิ่งทั้งคอนเซ็ปชันเพอร์เซ็ปชันทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกมันตกอยู่ใต้กฎอันหนึ่งคือเถียงไม่ได้กฎอันนั้นก็คืออนิจจังไม่เที่ยง เพราะงั้นมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ได้ถูก suffering sufferingness pain อะไรต่างๆพวกนี้หลังจากนั้น มันมีอนัตตาคือไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นบังคับสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเป็นไป